ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2547มีชื่อเรื่องว่าลูกรักของนักเลงส ก, กานับตั้งแต่วันเข้าพรรษามา วันนี้ได้15วันถ้าเราจะเรียงตามลำดับที่เราจะรักษาสินปลอดไรมาศส3มเดือนทุกวันพระ8ค่ำ15บ้าค่ำเดือนหนึ่งก็มีสครั้ง4ี่สแต่ถ้าหากว่าเราจะรักษาเฉพาะอุโบสถสินวัน15คห้าำก็เพียง6วัน รักษาศีลเพียงหวันเป็นวันพระใหญ่ถ้ารวมเป็นพระวันพระเล็ด้วยก็เป็น12วันเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ถ้าเป็นนักมวยก็ให้ให้ชกครบยกกว่างั้นเถอะอ่า12ยกมวยสากลมวยไทยเนะนี่ยหกยกงานเถอะ วันนั้นให้ครบยกให้จบบริบูรณ์ถึงใจทุกยากลำบากยังไงก็พยายามขัดเกลาวพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามสร้างคุณงามความดีใส่กายวาจาใจของเราพอเราปล่อยปะละเลยมานานาปีหนึ่งมี365วัน เ, เราจะรักษาศีลโุโบสดหรือมาวัด เทียงหวันไม่ได้เหรอในปีหนึ่งว่าเรานับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งหวันเราจะไปวัดตลอดทั้งหวันไม่ได้เหรอไปเฉพาะ ว, วันพระใหญ่ทามากกว่านั้นเราก็ไปแปํค่ำได้ไหมนี่รวมแล้วก็สเทือน3ามเป็นวันนะ นอกจากออกพรรษาไปแล้วพวกเราก็เอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้สุดแท้แต่จะได้ไปวันไหนแต่โดยมากมันไม่ได้ไปนะั่นแหละเป็นส่วนมากพอเราก็คือว่าธุระการงานขัดข้องแต่ตามที่ยิงไม่ควรจะขัดข้องถึงขนาดนั้นควรจะหาโอกาสหาเวลายัาง หลวงปู่ชาท่านบอกว่าทางว่าพวกเรายังหายใจเข้าออกอยู่ก็ต้องมีเวลาภาวนาถ้างว่าพวกเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่พวกเราก็ควรจะมีเวลาภาวนาอันนี้แต่พวกเราบอกว่าไม่มีเวลาหาเวลาอย่างอื่นเราหาเวลาได้แต่เวลาที่จะสร้างคุณงามความดีหายากเหลือเกินนะอันนี้ก็ ควรจะสอนตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเครื่องกล่าวย้ำเตือนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองส่วนจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็สุดแท้แต่พวกเราท่านทางหลายเพราะศาสนาพุทธศาสนานั้นไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็นมีแต่ชี้นำ อ, อ, อันนี้อย่าทำนะมันไม่ถูกเมือ่อความผ่านี้ไฟนะร้อนนะ อย่าทํานะอย่าจับนะมันร้อนนะแต่พวกเรายังขืนจับไปมันร้อนมันไหมก็ช่วยไม่ได้พอบอกแล้วอันี้เหมือนการพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนสําหรับฆราวาสท่านสอนอย่างไรสําหรับเป็นเนรท่านสอนอย่างไรท่านเป็นพระเนี่ยท่านสอนอย่างไระและวิธีทางแนวความคิดวิธีแนวการพูดควรจะพูดอย่างไร วิธีแนวการคิดก็ควรจะคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนหมดทั้งกายทั้งวาจา ท, ทางใจทางใจการนึกคิดควรจะคิดแนวไหนส่วนวาจาควรจะพูดแนวไหนส่วนกายการแสดงออกการกระทาควรจะทำอย่างไรอันนี้ถ้าเราศึกษาในธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว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 ก็มีต่างเยอะแยะในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่แคร์เน่ยท่านไม่แคร์ใครนีพูดพระพุทธองค์รู้แล้วว่าอันนี้มันมันไม่ถูกอย่างพระพุทธองค์อย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปกราบพระพุทธเจ้านะเน่ยพราหมณ์คนนี้เขามีลูกลูกคนเดียวเขารักมากพอเนี่ยมาตายจ้ะท่านี่พอมาตายเขาก็ไปกราบพระพุทธเจ้า เขาการาบด้วยบังเอิญนะเขาการาบด้วยความโศกเศร้าโตโตเต๋อเข้าไปเข้าไปกับพระพุทธเจ้าโอ้ยพระสมณะโคดมผมไม่ลูกอก็มามาละะภาพแล้วตายไปซะผมรู้สึกเสียอกเสียใจมากพระพุทธเจ้าได้เยน็นท่านบอกว่าสิ่งไหนที่รักมากก็มีทุกมากที่ไหนมีมีความรักมาก ตรงไหนที่รักมากตรงนั้นก็ระทบมากอันนี้คือคําพูดของพระพุทธเจา้าแต่นในพราหมณ์คนนั้นที่ได้ยินแล้วอุบาสกคนนั้นได้ยินแล้วสายหัวเลยสมณะโคดมพูดหน้าเดียวทําไมไม่พูดถึงว่าถ้าจริงไันรักมากสิ่งนั้นมีความสุขมากก็มีอยู่ตังเยอะแยะทําไมไม่พูด อย่างเรารักลูกรักเมียรักทรัพย์สมบัติรักไร่รักนาจะเป็นรักอะไรก็ตามเมื่อเรารักแล้วเราได้สงความรักสมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วมีแต่ความสุขจมรักโคดมทำไมไม่เห็นพูดทำไมพูดจึงว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นจะทุกมากเพราะเหตุใดแนวความคิดสองอย่างนี้ถ้าเขาพูดแบบผิวเผินมันก็ถูก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 เขาเพียงแต่ว่ า, ามีความรักเท่านั้นเองเอมื่อมีความรักเราก็มีความสุขในความหมายแต่ตามจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เขาก็มาพอได้ฟังแล้วก็ก็สายหัวาสายหัวเดินออกมาแปลว่าไม่เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นก็ออกมาก็มาพูดให้นักเลงสกาฟังนักเลงสการพนัน อยู่ในขอบนอกบริเวณนั้นอะอยู่ในเมืองนั่นแพอมามาพูดวันเนี่ยข้าพเจ้าเข้าไปกราบสมณะโคโดมเมื่อกี้น่พอไปกราบเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังสมณะโคโดมบอกว่าเสียงไหนที่รักมากถึงนั้นก็ทุกข์มากพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพวกนักเลงสา ก, กานกเลียงมักฮอต น, นไป นักเรียนการพนันพวกนั้นก็โอ๊ตไม่เห็นด้วยสรมนัโพรมพูดหน้าเดียวทีถ้าว่าพวกเราได้อย่างใจของเราต้องการปรารถนาถึงไหนที่เรารักเรามีความสุขตั้งมากมายอไม่เห็นทุกข์ที่ตรงไหนธรรมนะพูดไม่ถูกตรงนี้สมมรมนัโพรมันไม่เห็นด้วยกลุ่มนักเลงส ก, กาเหล่านั้นไม่เห็นด้วยอีกแต่นี่พอไม่เห็นด้วยออกออกมาพูด วิจญาณกันวันเออฉะนั้นเสียงสนั่นวันไว้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองทําเป็นถ้ามีวิทยุโทรทัศน์อย่างทุกวันนี่ก็คงจะดังระเบิดเถิดเถิงไปทั่วโลกว่างั้นเถอะอันนี้มันไม่มีมีแต่ปากต่อปากปากต่อปากเออจนถึงเข้าไปในวังเข้าไปในวังของพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ให้ท่าว่าความคิดความเห็นของคนมันแตกแตกแตกต่างกันพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เลย เ อ, อจะทานอาหารในพวกเสนาอาาํามบาทราชเสวกทั้งหลายอย่างโปรฮิตตาจานทั้งหลายแมาเลี้ยงสังสรร์เลี้ยงอาหารก็เลยปาลบคํานี้ขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นก็จะทุกมากแต่นี่เป็นคําพูด ออกมาแล้วแต่สามัญชนทั่วไปมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองแขนงแล้วพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงเนี่ยในใครข้าวาเตรียมที่จะเลี้ยงโต้งั้นเถอะสวัสดีเลี้ยงโต๊ะจีนว่ า, ว า, ง, วางั้นเถอะและ้วกาลังจะทานอาหารสเสวยพระกาอาหารในหมู่บริวารเสนาอัมมาต ร, ราชเส ว, วีปโลหิตตาจานทั้งหลาย ให้เขาวฝึกษากันเหมนนในคำพูดคำนี้ทีนี้ก็นางมาลิกาเป็นอั克ะมเหสีของพระเจ้าปเสนอยู่ในนั้นด้วยนางมาลิกาก็เลยบอกว่าที่ฉันขอกราบทูลพระองค์และทุ ก, ทกคนคำว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้นะ่ะ ท่านไม่ได้พูดแบบสามัญชนท่านพูดให้ถึงลึกถึงโทนถึงรากร่างเ่าถ้าอย่างที่พระองค์พระยาประเสนรักไหมแวนแควนประเทศชาติรักไหมอัคคมเหสีรักไหมบุตรธิดารักไห ม, ธธไหมข้าทาสบริวารทหาร น, น้อยใหญ่ที่จงรักภักดีพระองค์รักไหม ถ้าสิ่งเหล่านี้พัดพากไปสิ่งที่พระ อ, องค์รักจุดไหนมากสิ่งนั้นพัดพากไปพระ อ, องค์จะทุกข์ใหม่พญาปเสนได้ยินคำนั้นเองบอกโอ้ทุกมากถ้าหากว่าสิ่งที่เรารักแล้วพัดพากไปจะต้องทุกข์ใจเป็นอย่างมากโอ้พระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องดีหนอพระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องพูดออกมาถูกต้องเป็นธรรม พอจากนั้นมากัดเขาผ้าโซเวียงบ่าหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าหันหน้าไปทางวัดป่าเชตตะวันนั่งคุกเข่าขึ้นมาและกับปนมมือกล่าวนาโมสามจบนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตสามจบสรุปแล้วก็คือข้าพเจ้าขอนอภน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดถูกจริงๆ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 ก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆพูดจริงๆไม่เป็นสองมือนั้นสิ่งไหนที่เรารักมากถ้าเมื่อเขาพัดพรากจากไปตายไปหรือว่าหรุดมือเราหลุดไม้หลุดมือเราหายไป เ, เราก็จะเสียใจมากทุกมากในสิ่งนั้นนี่แหละ เ, เพราะนั้นพวกเราเพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนา ให้นำทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมานำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นเลยสำหรับคราวาัตก็คือศีลห้านี่นะ เ, เป็นพื้นฐานของคุณงามความดีจากนั้นก็ทำตนให้เป็นคนดีให้มีคราวาัตธรรมธรรมของคราวาัตสัจธรรมคันติจากะและอิทธิบาทซี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 ส่วนไรส่วนหนึ่งแตกสมมฤทธิซะนี่ ส, สมมติตาข้างหนึ่งแตกสมมฤทธิมันเจ็บมันปวดมันป่วยร่างกายของเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขเมีความทุกข์กับตาของเราหูก็เหมือนการปวดหูข้างหนึ่งซะหรือฟันกันดูกรรของเราอมันออกไปชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันปวดมันลาวซะ ขนาดแข่งขาตีมือจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นฝีเป็นหนองถูกมิดหนาำเกี่ยวอะไรก็ตามที่มันเจ็บร่างกายของเราทั้งร่างก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะมันแตกสมมติในจุดนั้นาวารร่างกายทุกส่วนมีความพร้อมเพียงสมคติกันคนคนนั้นร่างกายนั้นก็มีความสงบสุขอันนี้เพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวเราก็มองเห็นแล้วไม่ใช่เหรอ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 วัดวานศาสนานะพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างที่วัดของหลวงพ่อนะพระสามสิบสองรูปนะถ้าว่าแตกแย ก, กสมัคคีองค์หนึ่งไม่เข้าหมูซะมีแต่คัดค้านมีแต่เรื่องทอบบะเลาะเบาแวงกันนะพระทั้งสาิบสององค์ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยค่หาความสงบสุขไม่ได้เหมือนกันเนะี่ยเพราะเหตุใดเพราะแตกแย ก, กสมัคคีนี่ก็เหมือนกันหนะึ่งเพราะนั้นทันยึงว่าความพร้อมเพียงสมัคคีเกิดสุข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 บางบางคนบางหมู่โกกเพื่อนเขาคงจะเช่นเดียวกันนันะ่นอะ่ะเพ่ไพ่ไปผิดไปบ้างนะแต่ถ้าไม่เจตนาจริงๆก็นะให้อภาาัยแต่เราก็ต้องตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันมันไม่ถูกนะอย่างนั้นนะแต่เมื่อเตือนแล้วนะถ้าไม่ฟังนะเราก็ต้องจัดการตามขั้นตอนต่อไปแต่มาฟังแล้วก็ออยอมรับแล้วจะจบกันไปนะนะเพราะมีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้นแหะ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 มนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันแต่ส่วนเครื่องส่วนตัวเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะภาวนาอย่าได้ขาดไหว้พระสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้ก่อนนอนก็ไหว้พระซะอาหารสัมมาสัมพุทธโฆขุดทางธรรมังสังขัง จากนั่กับแพรเพตาอุทิศส่วนกุศลจะนัางกับนั่งภาวนาหานาทีสิบนาทีแต่ละวันอันนี้แหละเป็นพุทธมามกรพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านมันงั้นแต่ถ้าามาพวกเรารับถือพุทธแต่ไม่เคยกราบพระเลยแหมเพอเยังดูโถกอีกจะเป็นพุทธมามกรรพุทธบริษัทได้ยังไงนู่นแหะตอนตายนั่นแหะจึงไปนิมนต์พระมา ก, กุศลาใช่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 นั่งกัดสมาธิอย่างพระพุทธลูกนัง่งจากนั้นกับภาวนาพุโทโธพุโทโธทามันเผลอไปที่อื่นก็นดังดึงกลับคืนมาให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าว่าจิตใจเข้ามาสู่ความสงบแล้วจิตใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ภายนอกมันจะไม่กว้านหรือมันจะไม่ชักนํา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 สิ่งไหนไม่ดีเราก็ปัดทิ้งสิ่งไหนดีเราก็รับไว้นะ่ะลักษณะอย่างงั้นนะถ้าคนมีสติถ้าไม่มีสติก็อย่างว่านะอะไรก็รับหมดเลยเอาเรื่องเอาเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเข้ามาสู่จิตใจจากนั้นก็จิตใจก็ร้อนรุ่มบุ่นวายนะเรื่องต่างๆเพราะนั้นะท่านจึงให้มีสติในการทําสมาธนะิให้มีสติอยู่เสมอ แต่มีสติอยู่เสมอแล้วกิว เ, เลสจะเข้ามาไม่ได้จากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญา อ, อนิจจังทุกของอังอนัตตาคนเราเกิดมาร้อยจังร้อยพันทั้งหมื่นแสนทัน้งแสนล้านทั้งนั้นตายหมดไม่มีใครอยู่ค้ำค้าได้เราจะไปอยู่คนเดียวได้เหรอ เ, เขาก็ตายเราก็ตายแต่ว่าความตายตัวนี้นะมรณะภัยตัวนี้นะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบอกพวกเด็กเจ้าท่านว่าเรานึกดซิ ตายแล้วจะเป็นยังไงตอนใจขาดเขาเอาไฟไปเผาน่ยมันไม่ใช่ของคิดสนุกสนานในจุดนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะนั้นภัยเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดไม่พึงปราถนาถ้าว่าพวกเราจะมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนั้นที่จะมีความสุขมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีเมืองมี อะไรก็ตามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียศถาบรรดาศุกสิ์สูงต่ำขนาดไหนก็ตามพโภนิสุดตายตายแล้วมันมันฉุกไหมเวลาตายทุกมากทุกทุกจนใจขาดว่างั้นเถอะมันระดับไหนก็ทุกหมดทุกระดับว่างั้นเถอะเพราะนั้นพระองค์ท่านว่าตายเป็นทุกแต่เกิดเป็นทุกพวกเราไม่รู้ว่าเจ็บเป็นทุกในเรารู้แหละตายเป็นทุกในรู้แน่นอนว่างั้นก่อนที่จะตายโอ้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 นั่งสมาธิไม่คิดภาวนาไม่คิดหาทางออกไป่คิดชําระจิตใจแล้วพวกเราจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารเกิดและตายเกิดและตา ย, ตายทกอยู่เนี่แหละชุกซ้ําแล้วทุกซ้ําเล่าทุกซ้ำกซํำซากพวกพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านจึงนำํำทำคําสั่งสอนมาแนะนําพวกเราให้รักษาสีเนอรให้ฌานเนอรัรกษาสีเนอร์ภาวนาเนอร์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 พุทธมามกะพุทธบริษัทออกตนญาติโยมทุกๆ ท, ท่านเนอะอย่าประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้ตั้งตนเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอแล้วก็พร้อมปฏิบัติศีล ป, ปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุก ท่าพ้นทุกในวัฏสงสารแล้วก็เป็นความสุขอนันตาการไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกก่อนที่จะเป็นไปถึงจุดนั้นก่อนนี่แหละมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างพวกเรานั่งภาวนานี่แหละฝุดอบรมบ่มนิสัยไปเรื่อยเรื่อยจนแกกล้่าขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น่แหละหมดกิเลสตัดกิเลสคลายกิเลสออกจากจิตจากใจแล้วก็มีแต่โรมะศุขละทีนี้ นะวันนี้ขอพูดแต่เพียงเท่านี้คิดว่าจะไม่พูดมากถึงขนาดนี้ล่ะแต่จะเห็นญาติโยมพุธบริษัทผู้เข้ามาใหม่มก็มีได้พูดให้ฟังต่อ น, นี้ไปก็เดี๋ยวจะเปิดเทปหลวงตาให้ฟัง